คนถึงรท ร, รรมถึงคนผลจะเกิดสิ่งประเสรศิฐคือปัญญาคุณค่ายิ่งมันใคล้ครวนทุกเวลาอย่าประวิงใจหยุดนิ่งสงบซึ้งจะถึงธรรมศาสตราจารย์ถปณีนาครทัพ เริ่มรายการด้วยบทประพันธ์ของท่านศาสตราจารย์ธะปณีนครทัพที่พูดถึงเรื่องของคนถึงธรรมธรรมถึงคนผลจะเกิดก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยแบ่งปันข้อคิดให้กับเพื่อนของเราสักนิดหนึ่งนะคะเนื่ ว, ว่ามีเพื่อนของเราบางคนเนี่ยล่ะคะ่ะเริ่มเห็นประโยชน์ของธรรมะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมสักทีแล้วละ่ะ มั่นใจแล้วว่าทางนี้ใช่แน่ดีแน่เอาแน่แต่เอ๊จะเริ่มต้นอย่างไรยังรู้สึกเริ่มต้นไม่ถูกค่ะแล้วก็มีความกังวลว่าเอแล้วนานแค่ไหนหนอถึงจะเห็นผลของการปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราเนี่ยได้ผลของการปฏิบัติแล้วขอรบกวนอาจารย์ช่วยชีย้แนะให้เพื่อนของเราสักนิดหนึ่งเถอะค่ะครับคนที่มุ่งมั่นที่จะมาปฏิบัติธรรม ก็อยากจะเห็นธรรมะอยากจะเข้าถึงธรรมะแต่คนทั่วไปก็มักคิดว่าการเห็นธรรมะการเข้าถึงธรรมะนั้นจะต้องเห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเห็นเรื่องนอกตัวเห็นสีเห็นแสงเห็นนรกสวรรค์เห็นเทวดาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นมรรคผลนิพพานซึ่งมักจะมองไปนอกตัวทั้งนั้นแม้แต่นิพพานก็เป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์ ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแม้แต่สวรรค์ก็อยู่นอกตัวนอกใจเราไปนรกก็อยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าคือเห็นที่อยู่นอกตัวทั้งนั้นแต่กายเห็นธรรมะเนี่ยก็เห็นเรื่องของตัวเราธรรมะคือเรื่องของกายเรื่องของใจเดี๋ยวเนื่องกับกายก็เนื่องกับจิตเห็นกายเห็นจิตแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งภายนอกตัวเราเหมือนกันแต่คนมองออกไปจากกายจากจิต กายคือก้อนแห่งธรรมะจิตใจก็คือเรื่องของธรรมะทั้งนั้นเราไม่เห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวนี่ก็เห็นธรรมะแหละเห็นจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งนี่ก็เป็นการเห็นธรรมะเห็นได้ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นการอยากจะเห็นธรรมะรู้ธรรมะนั้นให้เริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนเริ่มต้นอยู่ที่เรื่องการเจริญสตินี่แหละ <S <S เพราะว่าอะไรเพราะว่าสติเนี่ยมันเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นเป็นผู้ที่ศึกษา เป็นผู้ที่ปฏิบัติก็ได้ตัวสติเนี่ยแล้วปฏิบัติที่ไหนอะ่ะก็เริ่มปฏิบัติที่กายของเราเนี่ยกายานุปัสนาสติปฐานเอาสติดังรู้ลงไปที่กายของเรา<ม>แล้วอะไรออกมาจากกายล่ะสิ่งที่ออกมาจากกายนั่นก็คือความทุกข์เวทนาต่างๆความปวดความเมื่อยอันนี้เรามีสติรู้ได้แล้วลนี่เป็นการปฏิบัติธรรมหรือเรื่องของจิตใจที่มันคิดยิม น, นึกมันปรุงปรุงแต่งแต่ง ไปทางความสุขความทุกข์ถ้ามีสติรู้ตรงนั้นได้แล้วก็มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมเรื่องของจิตเรื่องของใจแม้แต่ความง่วงความขี้เกียจความเบือ่อความฟุ้งซ่านความสงสัยพวกนี้ก็คือธรรมะทั้งนั้นแต่เป็นธรรมะที่ให้เราเข้าไปรู้มันสรุปลงอยู่ที่รู้กายรู้ใจนี่แหละสติปัฏฐานสกายเวทนาจิตธรรม เป็นฐานให้สติเข้าไปรู้แต่สรุปลงอยู่ที่รู้ที่กายที่จิตหรือที่รูปที่นามเนี่ยใครเป็นผู้รู้ก็คือสติปฏิบัติอยู่ตรงเนี้ยเริ่มต้นอยู่ที่การมีสติสติตั้งหลักจิตใจเอาไว้ทีนี้การจะมีศีลศีลพวกนี้แหละช่วยทำให้รักษากายวาจาให้เป็นปกติและใครเป็นผู้รักษาศีล น, นะก็คือสติสติเป็นผู้รักษาศีลในบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเริ่มที่ตัวเรา การเริ่มต้นนั้นอาจจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยครูบาอาจารย์คอยแนะนําค่อยกําลังใจค่อยชี้ทางที่ถูกต้องค่อยแก้ปัญหาเวลาเราเดินทางผิดถ้าครูบาอาจารย์ยังไม่ได้ก็อ่ะฟังธรรมะผู้เนี้ยช่วยได้ช่วยเป็นการเริ่มต้นไดเริ่มจากการมีสตินี่แหละเป็นการเริ่มปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเริ่มต้นก็เริ่มที่การเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆ ค่ะสรุปว่าถ้าใครสักคนหนึ่งอยากที่จะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมน่าจะเริ่มที่ฝึกให้มีสติกำกับใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รักษาศีลให้สมบูรณ์อีกทั้งสแสวงหากัลยาณมิตรใช่ไหมคะครับกัลยาณมิตรนี่ช่วยได้เวลาเราท้อนแท้บกลองใจเรื่มมีปัญหาก็เริ่มที่การเจริญสตินี่แหละเราจะทาอย่างไรล่ะเมื่อเราทาถูกต้องหรือไม่ เราพัฒนาไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็ดูสังเกตดูการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นก็คือเรารู้เท่าทันกายเคลื่อนไหวไหมกายเรานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือนอนอยู่เรารู้ไหมว่าขณะนั้นเรากําลังนอนหรือนั่งหรือยืนหรือเดินถ้ารู้ในระับปัจจุบันนั้นเน่นก็เป็นการเริ่มต้นเจริญสติที่ดีแล้วหรือการหายใจ หายใจเข้าเราก็รู้นะหายใจออกเราก็รู้อันนี้ก็เป็นการมีสติการกระพริบตาการกลืนน้าลายการจะดื่มจะเคี้ยวหรือขยับไปเยื่นเคลื่อนไหวไปในทางใดอันนี้เป็นเรื่องของกายถ้าเรารู้เท่าทันตรงนี้ได้แล้วก็แสดงว่าเรามีความรู้ตัวเรามีสติแล้วหรือจิตที่มันเคลื่อนมันไหวจิตที่เคลื่อนไหวนี่มันก็เรื่องของความคิดพอใจไม่พอใจ มีสติรู้ทันในอารมณ์แบบนี้แล้วก็เราก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็มีอย่างเงี้ยอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยไม่ออกไปนอกตัวที่ไหนแต่เรามักจะไม่ทันใจอยากจะให้มันได้มากกว่านี้อยากจะให้ได้บรรลุผลมากกว่านี้อันนั้นเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งเกินไปก็ดูแล้วไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะคะแต่แล้วเราจะต้องปฏิบัติแบบนี้นานแค่ไหนล่ะคะอาจารย์ถึงจะเห็นผลของการปฏิบัติก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่แหละ การนานการช้าการเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการวางจิตวางใจให้ถูกต้องเรากําหนดไม่ได้หรอกไม่เหมือนอย่างการเรียน<ม>การเรียนชั้นประถมก็ต้องเรียนหกปีจบป .6 เรียนมหาวิทยาลัยก็ต้องสี่ปีห้าปีอันนั้นเป็นกําหนดในทางโลกโลกแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันกําหนดไม่ได้ว่าเมื่อไหรเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเราวางจิตวางใจไว้ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติถูกหรือไม่ แล้วก็การปฏิบัตินั้นมากเพียงพอหรือเปล่าทําถูกต้องทํำวันเดียวนี่ก็ยังไม่บรรลุผลมันต้องอาศัยเวลาอาศัยประสบการณ์อีกมากมายต้องสะสมชั่วโมงบินตอนนั้นเองแต่วันสตินะคญญาณสาคัญมากการวันจิตวันใจแล้วก็ดูสิขณะที่เราปฏิบัติไปเจริญสติไปเนี่ยรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่คิดนึกในขณะปัจจุบันเนี่ยถ้าจิตใจเราเบา สบายๆมีความผ่อนคลายแต่มีสติรู้อยู่ในอาการของจิตกายเบาจิตเบาไม่เครียดแล้วก็สงบมากยิ่งขึ้นแล้วอวัยวะต่างๆที่เคลื่อนไหวเนี่ยสตินี่ก็จะตามรู้จิตใจที่มันคิดปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปสติมากขึ้นความคิดน้อยลงอันนี้ก็รู้ว่าอ๋อนี่เริ่มพัฒนาขึ้นแล้ว โดยเฉพาะขยันมีความขยันมากขึ้นขยันเจริญสตินะจะไม่นั่งนิ่งๆจะมีการเคลื่อนไหวกระดิกนิ้วหรือขยับขาอันเนี้ยมันเป็นการบอกบอกถึงว่าเนี่ยมันตื่นจะไม่นิ่งถ้านิ่งเฉยๆเนี่ยมันยังกับไม่ได้ไปฏิบัติอะไรจะมีการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆคือมีความขยันมากขึ้นจิตใจที่ผ่อนคลายนะั้นไม่ถึงทุกเนี่มันจะเริ่มลดลงในขณะปัจจุบันนะ อย่ามองถึงทุกข์ในอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยจิตใจมันมันเบาลงกลายเบาจิตเบาการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เป็นการขันน็อตขันเกลียวกวดขันนี่มันมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันทําให้เครียดการปฏิบัติเนี่ยจิตใจมันต้องมีแต่การผ่อนคลายเหมือนคลายเกลียวน็อตคลายเบาใจเบากายเบาแล้วจะมีความขยันถ้ายิ่งทําแล้วยิ่งเครียดยิ่งทําแล้วยิ่งฟงุ้งยิ่งทําแล้วไม่ค่อยสงบ ขี้เกียจเบื่อเซ็งอันนี้ไม่ได้ผลทุกมันลุ่มเราแล้วปฏิบัติแล้วทุกมันต้องลดลงทุกที่จิตใจเราขณาดปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยเป็นผลที่เราสังเกตดูได้ก็อาจารย์ตอบไปเลยนะคะว่าจะถามถึงผลพอดีอาจารย์ก็บอกไว้แล้วว่าจะดูผลได้อย่างไรจะสังเกตได้อย่างไรว่าเราเนี่ยได้ผลของการปฏิบัติดูแล้วก็คือผลของการปฏิบัติก็คือเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใช่ไหมคะอาจารย์หลวงพ่อเทียนบอกว่ามันจะต้องต่างเก่า ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมชัดไหมคะสองคำสั้นๆ น, นะคะผลของการปฏิบัติว่าเราเนี่ยเดินทางมาถึงจุดที่ได้ผลของการปฏิบัติแล้วหรืออย่างนั้นดูแค่คําว่าต่างเก่าอย่างเดียวนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีจิตใจยังไงมีวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตยังไงแล้วเรามีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมคือต่างเก่านั่นแปลว่าการปฏิบัติของเราเริ่มเห็นผลแล้วก็มีประการหนึ่งว่าเมื่อเราเจริญสติใหม่ๆเนี่ย เราต้องมีความเพียรเป็นพิเศษอันนี้เป็นเคลพียรใช่สําคัญมีความขยันมีความอดทนในการที่จ ะ, จะเจริญสติให้มากๆนีม่มันอย่างเป็นการสร้างสติสร้างสติไปจากกายที่มันเคลื่อนไหวเดินจงกรมก็ดียกมือสร้างจังหวะก็ดีดูลมหายใจก็ได้สร้างจังหว ะ, จะเจริญสติดูอาการของกายที่มันเคลื่อนมันไหวดูไปนานๆเนี่ยสติมันก็จ ะ, จะเจริญขึ้นเมื่อสติจเจริญเนี่ยมันก็จะไปเห็น สภาพที่ละเอียดของกายของเราเป็นทุกขเวทนาบ้างเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งออกมาจากกายนะตอนแรกคิดว่ามันออกมาจากกายที่จริงไม่ใช่กายเรามันมีจิตด้วยจิตมันทําหน้าที่คิดปรุงแต่งอ๋อจิตที่มันอาศัยกายอยู่เราจะเห็นการปรุงแต่งหรือความคิดเนี่ยที่ออกมาจากจิตจากใจเราซึ่งอาศัยกายอยู่เห็นส่วนเอกของชีวิตคือเห็นความคิดมันจะเห็นไปเองโดยที่ไม่ต้องไปเจตนาดู เราเริ่มต้นดูกายเดี๋ยวมันก็จะเห็นจิตเห็นความคิดที่มันปรุงมันแต่งนี่เป็นการฝึกจิตให้มันทําหน้าที่รู้สึกรู้สึกมากกว่าเป็นการคิดโวยสายกายเนี่ยเป็นฐานไว้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยสติที่เราสร้างขึ้นมาเจริญขึ้นบ่อยๆแล้วเนี่ยเขาจะรู้เองขอเขาจะเริ่มมีสติเริ่มเกิดขึ้นเองไม่หมต้องเจตนารู้ไว้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยมันรู้เองได้ไ อ, อันนี้เป็นการพัฒนาเราจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ เราจต้องสร้างมันขึ้นมาแต่ต่อมาเนี่ยบางทีสติมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่เจตนาก็ได้ เ, เรื่องบางอย่างเราเคยหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์แต่พอเจรอสติเป็นนา น, านเอ๊ะทำไมเรารู้ทันทําไมมันหยุดอารมณ์เหล่านี้ได้มันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมันจะมีความรู้สึกตัวมากกว่าการหลงลืมตัวทุกคนที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ได้ชัดเจนมากสติเกิดขึ้นเอง ทันอารมณ์มากยิ่งขึ้นจากการที่เราได้สร้างมันขึ้นมาไม่เหมือนกับเราสอนเด็กให้ทํางานใหม่ๆต้องสอนแล้วต้องทําให้ดูสอนแล้วก็ทํางานแล้วทําให้เขาดูด้วยและต่อมาเนี่ยพอเด็กเขาทําเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องสอนแล้วเราก็ดูอยู่หา่างเด็กก็จะทำงานได้ตรงนี้ต่างหากนะเพราะนั้นการเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยต้องขยันหน่อยอดทนต่ออารมณ์ต้องขยันหน่อยอ เป็นความเพีย่ยนเป็นความอดทนหรว่าเป็นบาร ม, มีก็ได้แล้วต่อมาเนี่ยเมื่อมันเต็มรอบเนี่ยสติมันเต็มรอบสติก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายปฏิบตัติเหมือนไม่ได้ปฏิบตัติเกิดเองรู้เองเห็นเองจิตมันคิดเองมันก็ดับเองสติมันเกิดเองมันก็ดับเองได้เหมือนกันมันก็เป็นไปโดยคลองของธรรมชาติก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับเพื่อนของเราที่ สนใจจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเสียทีเนี่ยนะคะก็มีคำแนะนำว่าเรื่องแรกก็คือเราจะต้องฝึกการมีสติมีการรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาให้ต่อเนื่องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างนั้นเลยไหมคะคแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องรักษาศีลหรือว่ามีศีลให้สมบูรณ์เพราะว่าความที่เรามีศีลสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นบาตฐานให้เรามีสติที่ รู้ตัวทั่วพร้อมได้ง่ายขึ้นการที่เรามีศีลกระพร่องกระแพงหรือว่าด่งพร้อยเนี่ยจะไม่เป็นเหตุปัจจัยที่จะส่งเสริมให้สติของเราเนี่ยรู้รอบพูดอย่างนี้ถูกไหมคะครับแล้วก็ถ้าโชคดีสักนิดหนึง่งมีกัลยาณมิตรคอยชี้แนะแนะนำเนื้อหาหรือเรื่องราวของการปฏิบัติบ้างเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มั่นคงในการปฏิบัติยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญที่สุดตัวเราเองค่ะต้องขยันสึกสติสต ก็ อ, อดทนอที่จะฝึกสติให้ต่อเนื่องให้ได้ครับเท่านี้พอไหมคะจันเนี่ยพอเรามันก็พอในช่วงที่เริ่มต้นการที่เราวางจิตวางใจให้ถูกต้องในการปฏิบัตินั้นมันช่วยเราบรรลุผลได้เร็วมากแม้ว่าเราไม่ต้องการในผลแต่ผลก็ย่อมเกิดขึ้นได้เพราะเราสร้างเหตุที่ถูกต้องการวางใจในการเจริญสติเนี่ยเรารู้แล้วว่า ฐานเทีสติตั้งนั้นคือกายกับจิตสติเป็นผู้ที่เข้าไปรู้แต่เน้นยำ้ำว่าให้รู้สึกตัวให้มากๆให้จิตมันตื่นรู้สึกตัวกับกายที่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยหรืออารมณ์ที่มาปรุงแต่งหรือจิตใจที่มันคิดนึกเนี่ยให้รู้อยู่สองอารมณ์ในปัจจุบันเนี่ยให้รู้เป็นกลางนะอยู่ตรงกลางนะอย่าเข้าไปเพ่งแล้วเข้าไปจับกับกายที่มันเคลื่อนมันไหว กายมีไว้เพื่อแตะรู้เฉยๆอย่าเข้าไปจับอย่ามุ่งเข้าไปอยู่ในกายถ้าเข้าไปอยู่ในกายเนี่ยมันจะเป็นตัวสมาธิเป็นตัวทรงเข้าไปอยู่ในนั้นเลยให้รู้อยู่ห่างๆรู้แบบดูๆแล้วเวลาจิตที่มันคิดนึกขึ้นมาเนี่ยก็อย่าเข้าไปอยู่ในความคิดให้รู้อยู่ห่างๆเป็นกลางระหว่างกายที่มันเคลื่อนมันไหวกับใจที่มันคิดมันนึกผู้ฟังควเข้าใจนะจิตที่เป็นกลาง ระหว่างกายที่เคลื่อนไหวโดยที่ไม่เข้าไปอยู่แต่เห็นอยู่กับจิตที่มันคิดมันนึกโดยที่ไม่เข้าไปอยู่แต่เห็นอยู่รู้อยู่เป็นกลางอย่างนี้แหละจิตจะปลอดภัยจะเห็นกายแล้วก็จะเห็นความคิดที่มันปรุงมันแต่งในแต่ละขณะขณะเมื่อเราเห็นกายความคิดก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นเห็นความคิดเราก็วางกายได้จิตจะเป็นกลางระหว่างกายที่เคลื่อนไหว กับใจที่มันคิดเหมอนนึกเนี่ยตรงนี้ล่ะรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่ช้าไม่นานจิตก็จะพัฒนาค้นออกมาจากอาการของกายอาการของจิตแต่ว่าเราจะเห็นอ๋อเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทุกนามทุกรูปทุกคือรูปที่มันมีความเจ็บไข้ป่วยรูปทุกหรือ เ, เห็นนามทุกขเห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่งเป็นรักเป็นโลภ เ, เป็นโกรธเนี่ยโอ้นี่นามทุก เราจะกลายเป็นผู้เห็นรูปเห็นนามเห็นอาการของรูปเห็นอาการของนามเป็นเพียงแค่ผู้เห็นแล้วจิตก็จะไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวกับกายกับจิตไม่เข้าไปเกี่ยวกับกายไม่เข้าไปเกี่ยวกับนามไม่เข้าเกี่ยวกับรูปกับนามจิตจะเป็นกลางจิตจะปลอดภยัยล่ะรู้ตรงนี้ก่อนแล้วรู้ต่อไปเนี่ยเราเห็นว่าแม้แต่จิตเองตัวจิตผู้รู้เองเนี่ยบางทีมันก็หลงลื่นไปได้จิตมันรู้ได้มันก็หลงได้เหมือนกันเราจะทัน ทันไม่ได้ตัวสติเองมันจะเป็นการพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่รู้กับหลงเท่านั้นพเพียงแต่เราขยันเจริญสติให้มากๆขยันรู้ตัวให้มากๆจิตผู้รู้เนี่ยมันก็จะพัฒนาแล้วก็จะเห็นอาการต่างๆตอนนี้มันก็จะเริ่มเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องอาศัยประสบการณ์ผิดก็ไม่เป็นไรถูกก็ไม่เป็นไร ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ทั้งนั้น <คะ S 1> เป็นการพัฒนาตัวเราขอเพียง <โ ấy S 2> แต่ว่าเริ่มต้นทครัีนะคะที่จะทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราที่เหลืออยู่จะได้มากได้น้อยจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้ตั้งมั่นในหลักการที่เราจะไปสู่เป้าหมายนะคะแล้วก็ลงมือทำซะเลยตรงนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมคะคว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเอ้ยธรรมะดี แต่เอาไว้ก่อนไม่ยากที่การปฏิบัติเลยมันยากตรงที่ไม่ได้ปฏิบัติ อ, อการปฏิบัติไม่ยากนะคะแต่อาจารย์ยืนยันว่ายากที่ไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรานะคะมาร่วมเดินทางในเส้นทางสู่การปฏิบัติเพื่อผลอันยิ่งใหญ่ แก่ใจของเราเองนะคะดังบทประพันธ์ของท่านศาสตราจารย์ธปณีนาคนทัพที่กล่าวนำไว้ในต้นว่าคนถึงธรรมธรรมถึงคนผลจะเกิดสิ่งประเสรศิฐคือปัญญาคุณค่ายิ่งมันใคร้ครวนทุกเวลาอย่าประวิงใจหยุดนิ่งสงบซึ้งจะถึงธรรม